ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องมุ่งแต่นิพพานตอนที่สองโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่14กันยายน2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้ ข้าวที่แล้วค้างเอาไว้นะข่าวที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าชีวิตบริสุทธิ์ลองฟังเป็นพระสูตรนะอนาถะบินทิโกวาทสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่738พอดีอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของของความบริสุทธิ์นะของ อะไรอะของชีวิตเนี่ยแหละของความเป็นอยู่จะอ่านให้ฟังเที่ยวหนึ่งก่อนนะมีพูดถึงว่าชนทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมะห้าอย่างนี้คือหนึ่งกรรมสองวิ ช, ชาสามธรรมะ 4. สี่ศีลห้าชีวิตอุดม ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นผู้เป็นผู้ผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้คือสรุปง่ายๆนะในที่เนี้ยพูดถึงว่าชีวิตเราจะมีคุณค่ามีความบริสุทธิ์มีความบริบูรณ์ ได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยธรรมะ5้าอย่างนี้นะต้องทำา5อย่างเนี้ยถึงจะบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยเป็นลูกอะไรอะ่ะเจ้าใหญ่นายโตเป็นเชื้อเ จ, จ้าหรือเป็นอะไรงั้นไม่เกี่ยวคนเราไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยเผาพันนั่นเองนะแล้วก็ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยทรัพย์ไม่เกี่ยวเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะ เป็นลูกขอทานกนันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกขอทานไม่ว่าจะเป็นลูกอะไระด้วยโคดเนี่ยจะเป็นลูกของกรรมกรเป็นลูกของชาวไร่ชาวนาก็สามารถจะบริสุทธิ์ได้เพราะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องวงสกุลแต่เกี่ยวอยู่ที่หน้าหตัวนะ ทำมาห้าข้อนั้นคือจะต้องประกอบด้วยหนึ่งก็คือกรรมกรรมแปลเป็นไทยว่าการกระทําเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดเลยคนเราเนี่ยจะดีไม่ดีจะมีคุณค่ามีประโยชน์ขนาดไหนสําคัญที่การกระทําก่อนเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเชื้อลาวเชื้อไทยเชื้อจีนฝรั่รงอะไรอ่ะ ตอนนี้เขามีอะไรบ้างอังกฤษอเมริกาหรือว่าเลบานอนอิสเอลอะไรพวกนี้ไม่สำคัญจะเชื่อชาติไหนไม่สาคัญสำคัญเพียงอย่างเดียวคือสำคัญที่การกระทาเพราะนั้นในที่นี้กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทาที่ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยจะจำแนกสัตว์พระพุทธเจ้าท่านใช้คานี้ว่ากรรมเนี่ยแหละจแนกสัตว์ คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงว่าสัตว์โลกทั้งหมดเลยทั้งทีเ่เป็นมนุษย์แล้วก็ทั้งที่เป็นสัตว์ดิเรฉชนต่างๆเนี่ยกรรมจะจำแนกสัตว์ทั้งหมดเราันจะจะดีจะชั่วนะถือว่าอยู่ที่กรรมทั้งสิน้นและกรรมนี่แหละจะส่งผลด้วยว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรวาะอนาคตจะไปเป็นยังไง กรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งผลไปในอนาคตเพราะันเรื่องของการกระทำจึงถือว่าสำคัญที่สุดแต่กรรมเนี่ยจะมีสามกรรมคืออะไรบ้างกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราะันจะต้องทำให้ได้ทั้งสามกรรมบางคนเนี่ยข้างนอกอาจจะทำดีก็ได้ แต่ใจอาจจะไม่ดีเป็นไปได้ไมคืออย่างเช่นข้างนอกอะไรดีทำอะไรดีที่ถือว่าดีเนี่ยเอาที่กว้างๆทั่วๆไปอเอาไปช่วยเข้าขนของอะไรเงี้ยนะหรือว่าอาจจะปัดกวาดเช็ดถูทาอะไรอีกที่เราถือว่าดีๆจูงคนข้ามถนน ช่วยเก็บขยะอันนี้กายกรรมภายนอก <c oughs> กายกรรมภายนอกเนี่ยเราดูดีแล้วแต่ภายในบางทีจิตเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ดีก็ได้เป็นไปได้ไหมเก็บขยะนี่เก็บโดยที่คิดยังไงถึงจะไม่ดีนะ <c oughs> อันนั้นวัจจีกรรมบนนี่มีวัจจีกรรมประกอบด้วยแต่นี่เอาแค่ใจก่อนเอาเก็บไปเงี้ยใครมาทิ้งวะเนี่ยยัง <c oughs> ไงเก็บไปบางทีก็โกรธม้างโมโหบ้างทาไม่ก็จิตนี่ไม่ดีเลยแต่กายกรรมดีอ่าอันเนี้ยเพราะนั้นผลบุญหรือบกุศลที่จะได้ทางกายกรรมเนี่ยได้แล้วละ่ะแต่ใจนี่ยังไม่ได้ใจบางทีแค้นด่ยนะโกรธวนะมโมโหดวนะ เดี๋ยวคราวหน้าเห็นเหรใครอ่ะเดี๋ยวจะจัดการจะอะไรต่ออะไรคือเรื่องนีจจิตไม่ดีแต่กายกรรมดีอย่างเงี้ยเขาถือว่าทำบุญแล้วไม่ได้บริบูรณ์คือได้แต่กายกรรมไงแต่มโนกรรมไม่ได้บุญวันนี้เนี่ยใครจะทำให้ได้บุญเต็มอ่ะบางทีเราบอกว่าจะทำให้ได้บุญเต็มบุญสมบูรณ์ได้ยังไงก็ต้องพร้อม ทั้งสามกรรมหรือทั่วไปที่เห็นเยอะเลยคนที่มาทําดีเนี่ยนะบางทีก็มาวัดามาช่วยอะไรอะ่ะช่วยงานทําไม่นั่นทําไม่นี่นั่นแหละทําไปก็บ่นไปทําไปก็อะไรอะ่ะพูดพูดมากพูดจนกระทั่งคนรอบข้างเขาเนะีแย่ไปตามๆกันอะไรอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยก็อุตส่าห์มาทําดีแล้วนะกายกรรมเนี่ยได้ แต่ว่าจีกรรมไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะเขาก็าใช้สำนวนแบบพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนจริงๆริงมันเข้ามไม่ยอาไป่เข้าแล้วมันเข้าเข้าแบบชนิดโอ้โหแทงเจ็บเลยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ต้องระวังนะราะหลายคนนะ้บางทีอุตส่าห์มาทำดีแล้วแต่ว่าจีกรรมเนี่ยไม่ดีเนี่ยโอ้ ไม่เป็นที่รักเลยคนที่ยังยังไม่ถือสาและคนที่เห็นความดีในกายกรรมคนนี้ได้คนท่านน่าจะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องมีจิตใจที่สูงพอสมควรเลยถึงได้ไม่ถือสาเรื่องวัตจีกรรมคนนี้เหมือนกับที่เราเคยยกตัวยอย่างน่ะที่บอกว่าบางทีมีคนมาแล้วเอาน้ำให้เขากินนี่พูดให้มันเบาหน่อยนะนะ ไปกินสิแล้ว <laughs> ใมันเบาหน่อยโอ้จริงๆแล้วเขาใช้สำนวนหนักแับนี้นะ <laughs> นี่อาตมาพูดให้มันเบาลงมาตั้งเยอะแล้วหรือบางทีไม่ได้อื่นไกลหรอกพวกเราอ่ะบางทีอุตส่าห์มาช่วยงานช่วยฟรีๆเลยไม่มีเงินดาวไม่มีเงินเดือนไม่อะไรอ่ะไปช่วยชาวมรรอมั่งหรือบางทีก็มาช่วยเนี่ยํามเครือข่ายเราะนะ มาช่วยฟรีจริงๆเราเรียกว่าอาสาสมัครไม่มีเงินทองให้แต่บางทีมาช่วยแล้วนั่นแหละปากอว่าหน้าก็บึง้ง <c oughs> แหมเสียงก็โหวขวางเลยนะไอ้ตาก็ขวางเสียงก็แหมดังคือคือพูดไปแล้วพูดง่ายๆไม่รู้อาตมาว่ายังไม่ต้องชิมอาหารเลยถ้าเกิดมาที่ชาวมารอนะ ยังไม่ทันจะชิมอาหารเลยแค่ชิมแม่ค้าที่ขายเท่านั้นเองโอ้โหชิมคำพูดของแม่ค้าที่ขายก็เรียกว่ากินไม่ลงแล้วกินไม่ลงแล้วไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้บางทีเอามีจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างของจริงที่เคยมีตัวอย่างที่ที่เขาให้ขุมทรัพย์มานะพวกลูกค้าเขาให้ขุมทัพย์มาบอกโอ้โหพูดยังไง ถ้าใช้สำนวนชาวบ้านเนี่ยบางทีก็บอกโอ้โหพูดจาอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะยิ่งเขาเขาดูว่าเอา้าก็มาอยู่วัดหรือว่ามาปฏิบัติธรรมโอ้โหพูดจาอย่างนี้นี่ไม่เหมือนนักปฏิบัติธรรมเลยซึ่งจริงๆแล้วอย่างเช่นคนที่ไปช่วยชาวมรเนี่ยมีทั้งที่เป็นคนวัดด้วยจริงๆก็มีทั้งคนนอกวัดด้วยแต่เขามาช่วย อ, อ่แล้วก็บางคนก็ควบคุมอารมณ์ หรือว่ามีสติได้ดีแต่บางคนต่อให้มาอยู่เป็นสิบปีเหอะ <c oughs> บางคนก็งดหิดง่ายเพราะว่ายังฝึกไม่เก่งไงงดหิดง่ายอารมณ์เสียง่ายบางทียิ่งบงับงเอิญไปเจอลูกค้าประเภทจูจจ้จี้จุกจิกโอ้เดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่โอ้จริงๆบางคนเนี่ยใครเคยขา ย, ข, า ย, ข, ายของอาจจะรู้ <c oughs> ยิ่งไปเจอโอ้ลูกค้าจู้จี้ขี้บ่นอะไรต่ออะไรนะ ถ้าไม่ฝึกมาให้ดีเนี่ยบางทอีอดไม่ได้แล้วใช่ไหมของขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่ลูกค้าบ้างอะ่ะซึ่งอันนั้นไม่ได้เลยเราถือว่าต้องเป็นการฝึกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอุตสาห์มาเสีสะอุตสาห์มาทดีอุตสาห์มาทบุญแต่เนี่ยแหละไม่วายบางทีอดวจีกรรมไม่ได้อดมโนกรรมไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าบุญไม่เต็มร้อยละ ถ้าแบ่งสามกรรมนี่นะก็สักเท่าไหร่สมสจุเท่าไหร่สาสเท่าไหร่ก็แล้วว่าไปไนะสมมติว่าแบ่งเป็นสามส่วนให้มันเท่าๆกันนะนี่อุตสาแบ่งให้เท่ากันก็จะเห็นเลยถ้าเราได้แต่กายกรรมเพียงอย่างเดียวเนี่ยคุณได้แค่ 33% ปซใช่ไหมล่ะถ้าวัจีกรรมก็ไม่ดีมโนกรรมก็ไม่ดีอีกโอ้โหคุณติดลบไป เท่าไรหปอร์ 66% เนี่ยอย่างงน้อยอะ่ะใช่ไหมล่ะว่าบางคนเนี่ยถึงบอกโอ้โหวัดมาทำดีแล้วนันเนี่ยอุตส่าห์มาวัดอุตส่าห์มาเสียสละแล้วทำไมทาไมฉันไม่ดีเลยอะ่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยทำไมยังมีวิบากตั้งเดียวยังแย่บางทียังโอ้โหคนเข้ามาว่าคนเข้ามาเล่นงานคนเข้ามาถือสาก็บางทีมันดีแค่ ส่วนเดียวเท่านั้นอีกสองส่วนยังแย่อยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็นึกว่าแหมตัวเองมาทำดิบทำดีอะไรเยอะแยะยัางยัง่งขนาดว่าคุ้มครองกายกรรมให้ดีคุ้มครองวจีกรรมให้ดีแต่จิตเราไม่ดีเนี่ยยังมีทุกมีโทษภัยตามมาเลย ก็ยังมีผลของวิบากกรรมที่จะมาเล่นงานได้เลยยกตัวอย่างบ่อยที่พระเจ้าท่านแค่มีจิตอกุศลนะสมัยอดีตชาติที่เป็นลูกชาวประมงไปยินดีที่เขาหาปลามาได้โอ้โหก็จับปลาเขาฆ่าปลาเขาอะไรได้เนี่ดีใจกับเขาด้วยท่านยังบอกโอ้ท่านยังต้องมาใช้วิบากกรรมจนกระทั่งต้องมาปวดหัว คุณคิดดูนะขนาดระดับไหนระดับพระพุทธเจ้านะและ้วโอ้โหไปคิดอะไรมากมายนะคิดแค่ไปยินดีกับเขาที่เขาฆ่าปลาเขาจับปลามาได้เยอะแค่นี้ยังไม่ได้เป็นร่วมวงอะไรกับเขาเลยนะแค่ยินดีกับเขาเท่านั้นเองพระเจ้าอย่างวิบากกรรมที่ได้รับเนี่ยมาได้รับตอนเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะคุณคิดดูว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีบุญกุศลมากแค่ไหน แต่ยังจะต้องมารับกรรมนี้คือจะต้องใช้กรรมใช้กรรมขั้นอะไรคุณดูเทียบอัตราส่วนสิแค่ไปยินดีที่เขาฆ่าปลาที่เขาจับปลามาได้แต่ต้องโอ้โหมาทุกขกุมมาปวดหัวคุณคิดไม่ถึงเลยนะว่าอะไรยิ่งถ้าพวกเราเนี่ยนึกโอ้แค่ไปดีใจที่สมมุติเขาไปทำอบายมุกนะหรือว่าเขาไปอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะ เราเองเนี่ยบางทีเราไม่อยู่ในหัวสมองเลยที่คิดว่าแหมจะทำไมมีเวรกรรมอะไรก็เราไม่ได้ร่วมกับเขาเราก็ไม่ได้ไปอะไรอ่ะไปทําอะไรกับเขาเลยอนะเราก็แค่คิดของเราคนเดียวเท่านั้นเนะ่ยเราไม่ได้ไปลงมือเองไม่ได้ไปพูดสนับสนุนอะไรเลยด้วยแค่เรายินดีอยู่ในใจแค่เนี้โยโอ้ยมันจะ ม, มีผลอะไร แต่เนี่ยยกตัวอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเรื่องนี้เองเลยว่าเนี่ยขนาดตอนนั้นท่านเป็นเด็กด้วยนะคิดดูเป็นเด็กด้วยนะแล้วท่านก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดแค่ยินดีเรื่องที่เข้าหาปรามาได้หนึ่งเป็นเด็กสองคิดตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะไปอะไรนักหนาเสร็จแล้วดูนะวิบากกรรมที่มาเล่นงานท่านเนะ่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะ แต่ยังจะต้องมาปวดหัวโอ้โหอาตมาเนี่ยพอนึกเรื่องนี้บอกโอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะแค่มโนกรรมนี่อะไรมันจะหนักหนาขนาดนั้นเชียวเลยเนี่ยคุณคิดดูยิ่งพวกเราอ่ะทํามคอมาเปรียกพวกเราอ่ะอย่าว่าแต่เด็กเลยโตโตนี่แหละเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้ะแล้วบางทีเราพอจะรู้อะไรดีอะไรไม่ดีเรายังไปยินดีกับไอ้ A S, สิ่งไม่ดีเลยบางทีอ่ะ เสร็จแล้วยินดียังไม่พอนะพอมาเทียบว่าเดี๋ยวเนี่ยเราระดับไหนอะเป็นพระโสดาบันหรื อ, อยังเป็นพระสกิทาอยังเป็นพระนาคาหรื อ, อยังหรือเป็นพระอาหารหันหรื อ, อยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นพุทธเจ้าไม่แค่คุณได้อริยาบุคคลเอาเอาเนี่ยนาคาหรืออาหารหันหรื อ, อยังยังอีกต่างหากแล้วคุณคิดดูสิเวลาวิบากกรรมพวกนี้มาเล่นงานน่ะ จะหนักแค่ไหนล่ะมันจะต้องหนักกว่าที่ผู้เจ้าได้รับอีกหมายถึงว่าถ้าเทียบอัตราส่วนนะคือพูดอย่างนี้เพื่อที่ให้เราเห็นว่าโอ้โหพู้เจ้าถึงตัดว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเนี่ยคือจริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะไอ้กี้เทียบส่วนให้คุณเนี่ยเทียบแบบเท่าๆกันให้คุณฟัง แต่จริงๆแล้วไม่เท่ากันอา่ามันเพราะว่าตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มคือถ้าถ้าเกิดในจิตเนี่ยโอกาสที่จะไปเป็นวจีกรรมโอกาสจะเป็นกายกรรมซึ่งสุดท้ายกายกรรมนี่สุดท้ายเป็นผลที่จิตเป็นตัวสั่งงานจริงๆกายกรรมเนี่ยไม่รู้<ฮ>หน่อยเหนเอะไรก็ทําไปตามเขาเรียกว่าพยาจิตตราชหมายถึง จิตเนี่ยเป็นพระราชาคือร่างกายนี้สมมติร่างกายนี้เป็นเมืองเมืองหนึ่งจิตเนี่ยเป็นพระราชาครองเมืองนี้อยู่เพรันพระราชาสั่งอะไรเนี่ยในในเมืองนี้ต้องทําตามที่พระราชาสั่งเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพยาจิตราชคือจิตเนี่ยเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นกายกรรมเนี่ยจริงๆทําตามสั่งเท่านั้นเอง ความผิดเนี่ยถือว่าผิดเบาวกว่าตัวสั่งนะอย่างเช่นยกตัวอย่างคนสั่งให้ไปฆ่าเนี่ยนะที่ ท, ที่ที่แบบว่าไปจ้างมือปืนให้มือปืนเนี่ยไปฆ่าคนนั้นตายเขาถือว่าคนจ้างฆ่าเนี่ยเป็นจำเลยอันดับที่หนึ่งคือโทษหนักโทษหนักกว่านะเพราะเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวจ้างเป็นตัว ใช้เงินเป็นตัวสั่งเสร็จแล้วไอ้ไอ้มือปืนเนี่ยที่ไปฆ่าคนตายเนี่ยเป็นจำเลยเอา้าวอันดับที่สองต่อเข้าไปอีกแต่โทษจริงๆแล้วนะเบาวกว่าอีกเพราะว่าบางทีทําไปตามอะไรอยากได้เงินทำไปเพราะอยากได้เงินจริงๆเนี่ยไม่ได้โกรธเกลียดกับคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์จาก จากคนที่ตายอะไรแต่ได้จากที่เขาจ้างฆ่าถ้าจะได้เงินนี้ก็ได้จากตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาตัดสินโทษเนี่ยคนที่จ้างฆ่านี่โทษหนักกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นกรรมสามเนี่ยจริงๆแล้วมนโนกรรมนี่โทษตามอัตราส่วนเนี่ยจะหนักกว่าะจะหนักกว่านะ เพราะว่าโมนโนกรรมเป็นตัวสั่งหมดแล้วแม้แต่ว่าจีกรรมเนี่ยพญาจิตราชจะเป็นตัวสั่งเพราะคาพูดเนี่ยมาจากปากทั้งนั้นก็คือสั่งให้อ้าปากพญาจิตราก็สังให้อ้าปากก็จะพูดอะไรยังไงเพราะจริงๆเนะี่ยรวมลงที่จิตหมดเลยอันนี้แหละถ้าเราเข้าใจได้นะถึงจะรู้ว่าความน่ากลัวที่ที่สุดเนี่ยที่ใครเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องเปลี่ยนจิตตัวเองให้ได้ ก็ต้องบังคับบังคับจิตเนี่ยให้ฝืนกายกรรมให้ฝืนวจีกรรมให้ได้ซึ่งมันเป็นผลก็มันเป็นผลที่เราฝืนจิตนี่แหละผลที่ตามออกมาก็คือทาให้อย่าหยิบนะอย่าหยิบนะนี่ขนมนี่ตะบะตั้งเอาไว้นะไม่กินนะไกินนะกูก็ต้องฝืนกูก็ต้องสู้น่แหละแต่จิตนี่แหละจะเป็นตัวสั่งหรือบางทีบางคนตั้ง ต, งตะบะไว้อะจะไม่ ไปดาไ่าใครใช่ไหมจะไม่อะไรนะไม่ไปเพ่งโทษแล้วก็ไปพูดความผิดของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจิตคุณเนี่ยต้องก่อนเลยคุ ณ, ค, ณคุณต้องจไะะาไว้นะี่ตาบ่าเราหน้าเราตั้งไว้นะคุณต้องสั่งไว้เลยนะว่ายาจิตละล่า น, นี่ต้องคอยสั่งไว้ดีๆเพราะสั่งเสร็จพอบางทีมันนึกคันปากขึ้นมาอะไรใช่ไหมคันปากอยากจะพูดเนี่ยอยากอยากจะว่าเขาละ้ะอยากจะนินทาเขา จิตเนี่ยถ้าคุณมีสติอยู่คุณระลึลกได้อยู่มันก็ไม่ได้นะไม่ได้นะตะบะนะตาบะนะมันสู้กันอยู่ตาบใดที่สู้กันอยู่เนี่ยมันก็ห้ามห้ามปากไว้ได้อยู่อยา่ยาอยอย่าปากอย่าอาปากเอ า, าอมือมาปิดปากไว้อย่าให้อะนี่ผมก็จะสั่งอย่างเงี้ยก็จะสู้กันวันที่บอกโอ้โหตัวกรรมที่จะหนักที่สุดจริงๆแล้วที่จิตนะที่จิตจิตจะเป็นตัวที่นันที่สุดเลย วันอันเนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของกรรมวันจะทําให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยคุณอยากจะให้กายบริสุทธิ์คุณอยากจะให้คำพูดบริสุทธิ์คุณต้องทําจิตให้บริสุทธิ์ให้ได้ถ้าตาบใดทําจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้กายกรรมวจีกรรมไม่มีวันบริสุทธิ์ได้เลยอ่า ถ้าได้ก็ได้แต่เปลือกถ้าได้ก็ได้แต่เปลือกเท่านั้นอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะเรื่องของกรรมที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ได้ข้อที่สองคือวิ ช, ชาที่ท่านใช้คาว่าวิ ช, ชาเนี่ยก็หมายถึงความรู้แจ้งวิ ช, ชานี่คือความรู้แจ้งถ้าอาจวิ ช, ชาแห ะ, ะทั่วๆไปเขาใช้คำว่าวิ ช, ชาเขาไม่มีชอช้างอีกตัวหนึ่ง นะคือคือถ้ า, าภาษาบาลีภาษาของโบราณเนี่ยเาจะวอแหวนสลีดแล้วก็ชอช้างแล้วถึงจะชา <c oughs> คือวิชาไม่ใช่วิเฉยเฉยอ่าแต่เดี๋ยวนี้เ็าใช้แค่วิชาวันจะต่างกันวันของโบราณเนี่ยเาใช้วิชาซึ่งวิชาเนี่ยอของโบราณของของธรรมะเนี่ย เขาจะถือว่าเป็นความรู้แจ้งความรู้แจ้งความเห็นจริงพวกนี้เป็นวิชาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคราวนี้แหละอย่าให้ไปเป็นอวิชาอะไรที่เป็นอวิชาสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่ต้องรู้ให้ได้คือต้องแยกให้ได้ ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นวิชาอะไรเป็นอวิชาระหว่างเนื้อสัตว์กับมังสวิรัตคุณต้องแยกให้ออกว่าเอออะไรดีกว่ากันเราจําเป็นไหมจะต้องกินเนื้อสัตว์ถึงจะมีชีวิตยอยู่ได้หรือกินแต่มังสวิรัตก็มีชีวิตยอยู่ได้แล้วอยู่ได้อย่างปลอดภัยไหมสุขภาพดีไหมเนี่ยคุณมีวิชาไหมคุณมีความรู้แจ้งไหมเห็นจริงไหม ไม่ใช่เห็นแบบตามอำนาจกิเลสนะถ้าตามอำนาจกิเลสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วิชาเพราะว่ามันจะไปตามกิเลสอย่างเช่นคนที่บางทีชอบการพ น, นันชอบเล่นการพ น, นันโ อ, อ้อะไรน ะ, ะแทงบอลเลียดเนี่ยแล้วก็พ น, นันกันเนี่ยแทงบิลเลียดเนี่ยโอ้โหจะแทงยังไงให้ล้นหลุมโอ้หต้องอะไรนะเขามองมุมมุ ม, ม, ม, ม, มแหม แทงชิงอย่างนี้โอ้โหลงปักเลยลงหลุมเลยหรืออะไรกันเล่นไพ่อย่างเงี้ยโอ้โหเล่นเก่งนะฉลาดนะนับแต้มเก่งหรืออะไรเข้าก็แล้วแต่และไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเก่งมากฉลาดมากคํานวณหวยวดหน้าจะออกอะไรอย่างเงี้ยเก่งเลยเป๊ะเลยก็ตามละไอ้อย่างเงี้ยเก่งอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอวิชชา ตอนให้เก่งเลิศยอดยังไงถือว่าอาจวิชาทั้งสิน้นคืออันนี้ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าไอ้อย่างนั้นนะ่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษภัยมันเป็นบาปกรรมทำไปแล้วก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยยิ่งติดหลงยิ่งทำให้คนเสียคนแล้วก็ไรประโยชน์ไรคุณค่าอย่างเงี้ยนี่นี่เนี่ยคุณมีวิชาไหมถ้าคุณมีวิชาคุณจะแยกได้คุณจะรู้ เราเนี่กินดีหรือไม่ดีบุรี่ควรสูบไม่ควรสูบมีไมหมล่ะมีความรู้แจ้งไหมมีความเห็นจริงไหมถ้ายังไม่รู้เนี่ยเราก็ยังจะเลือกสิ่งไม่ดีพวกนี้อยู่ต่อเมื่อคุณรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษภัยแล้วนั่นแหละมันก็ไม่อยากจะไปเอาเพราะว่าอะไรเพราะไปเอาสิ่งไม่ดีมันมันเห็นทุกข์จริงๆอะ่ะคนเราจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะไปติด ไปเสพไปอะไรเพื่อต้องการความสุขถูกต้องมเพื่อต้องการความสุขเสพเพราะความสุขแต่ถ้าอย่างไงเสพแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่สุขไงมันอาจจะหลอกหลอกว่าเป็นสุขแต่จริงๆมันเป็นทุกข์เนี่ยถ้าคนนี้มีความรู้แจ้งอันนี้รับรองว่ายังไงก็ไม่เสพเพราะเสพเรื่องมันทุกข์แต่เพราะไม่รู้แจ้งอันนี้ส่วนใหญ่มักจะหลงว่ามันเป็นสุข วันจริ ง, รงเล่าบุหรีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หลงว่าเป็นสุขของนั้น ท, ท, ทั้งที่กล้าพิสูจน์กล้ายืนยันเลยจะเอาหลักฐานทางอะไรมาก็ได้พิสูจน์ยืนยันได้เลยว่าโอ้โหจริงๆแล้วเป็นทุกข์ทั้งทําลายสุขภาพทั้งทําลาย อ, อะไรอะความนึกคิดสมองทั้งทําลายคุณค่าประโยชน์ของตัวเองทั้งครล่นี้ยังทําลายไปถึงสภาพแวดล้อมสังคมผู้คนอื่นๆ อ, อ, อีกด้วย จะเห็นได้เลยชัดเจนมากแต่แม้อย่างนี้แหละบางทีเนี่ยคนที่ติดคนที่หลงเขาก็จะอ้างเหตุผลแบบแบบข้างๆคูๆอะ่ะเหตุผลแบบตามกิเลส ต, ตัวเองเหตุผลแบบเห็นแก่ตัวของตัวเองเท่านั้นนะเพื่อที่จะแบบว่าจะได้เศษเยีงง่ยนกันต่อซึ่งอการเสษเยลีงง่ยนกันต่อเนี่ย ก, ก็โมหามันหลงอะ่ะ มันติดมันก็เจ็บต่อแล้วหลงจริงๆนะหลงหัวปักหัวปัมเลยแล้วก็เขาก็คิดว่าสุขอย่างนั้นแหล ะ, อ, ะอ่คือคือหลงจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นสุขเลย ท, ทั้งที่มันเป็นทุกข์หลงเหมือนเคยเคยมีชาดกอะที่เคยเอามาเล่าให้ฟังที่เขาใช้สำนวนว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวคือคือเหมือนกับว่า ไปเห็นเปรตคนหนึ่งคือคือคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคนบาปเขาก็หลงบาปของเขาเนะ่ยเพราะฉนั้นตาของเขาเนี่ยก็ไปเห็นเปรตตัวหนึ่งเปรตตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆมันมีกงจากตัดศรีรษะของเปรตตัวนั้นอยู่จริงๆได้รับทุกเวทนาอยู่แต่ปรากฏว่าคนบาปคนเนี้ยพอไปเห็นเปรตตัวนี้กลับเห็นกงจากที่อยู่บนหัวของเปรตตัวเนี้ยกลายเป็นดอกบัวโอ้โหทําไม เปรต น, นี่มีดอกบัวงามเลืเกินอยู่ที่บนหัวคือมันจะเห็นกายไปเป็นอย่างนั้นเลยก็เห็นกายเป็นความสุขไปเลยแล้วทั้งจริงขนาดเปรตตัวนั้นนะบอกเลยนะบอกโ oh อ้โ oh ห oh, นี่จะตายอยู่แล้วนะเนี่ยต้องทุกข์ทรมานเพราะโดยไอ้กลิ่นจากเนี่ยมันมันพูดง่ายว่ามันเลื่อยศรีรษะมันเลื่อยทําให้ต้องเจ็บปวดต้อง ท, ทรมานแต่ปรากฏว่าเจ้าคนบาปคนนี้ก็ยังไปเห็น โอ้โหอะไรนี่มันดอกบัวนะทั้งสวยทั้งส่งกลิ่นหอมทั้งอะไรไปเลยก็เลยในที่สุดแม้เปรตตัวนั้นจะพูดยังไงก็ไม่เชื่อ <c oughs> พูดยังไงก็ไม่เชื่อนะก็ยังเอ้าขอเถอะขอเหอะขอดอกบัวนั้นเอามาไว้ที่หัวตัวเองมังเะเปรตนั่นก็เตือนแล้วนะเตือนแล้วเอายังขออีกก็ดีสิ <c oughs> ขอก็เลยให้ไปเลย ว่าในที่สุดเจ้าคนบาปนั้นก็เลยมาได้โกงจักอยู่บนหัวพอโกงจักมาอยู่บนหัวตัวเองแล้วนั่นแหละถึงได้รู้ตัวว่าโอ้โหนี่มันมันไม่ใช่ดอกวแล้วนี่มันเป็นโกงจักคือคือพอทุกเกิดขึ้นกับตัวเองและนะทรมานทารกรรมเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้